1นึรวมเรื่องที่มีในวัตสูปนายิกกคันทกะวัตสูปนายิกกคันทกะมี52เรื่องคือเรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุเข้าจำพรรษาเรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุเข้าพรรษาในฤดูฝนเรื่องประเภทแห่งวันเข้าพรรษาเรื่องพระชจ้พกีเที่ยวจาริกในระหว่างพรรษาเรื่องปรับปรบับทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เข้าพรรษาเรื่องจงใจเดินผ่านอาวาส เรื่องการเลื่อนการฝนเรื่องอุบาสกสร้างวิหารเป็นต้นถวายเรื่องภิกษุเป็นไข้เป็นต้นเรื่องมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวญาติและบุตษผู้อาศัยอยู่กับภิกษุเป็นไข้เรื่องวิหารสุดโสมเรื่องสัตว์ร้ายเบียดเบียนเรื่องงูเบียดเบียนเรื่องผู้โจรเบียดเบียนเรื่องปีศาจรบกวนเรื่องมูบ้านถูกไฟไหม เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหมเรื่องหมู่บ้านถูกน้ำท่วมเรื่องเสนาสนะถูกน้ำท่วมเรื่องชาวบ้านพากันอพยพไปเพราะจนรภัยเรื่องทรงอนุญาตให้ตามทายกมีจำนวนมากกว่าเรื่องไม่ได้โภชนาหารธรรมดาหรือประนีตเป็นต้นเรื่องสตรีนิมนต์เรื่องหญิงแพทย์ยานิมนต์เรื่องสาวเถือนิมนต์เรื่องบรรดอนิมนต์เรื่องพวกญาตินิมนต์เรื่องพระราชานิมนต์ เรื่องพวกโจรนิมนต์ l, เรื่องพวกนักเลงนิมนต์เรื่องพบหุมทรัพย์เรื่องทำลายสงแปดวิธีเรื่องเข้าจำพรรษาในข้องโคเรื่องเข้าจำพรรษาในหมู่เกวียนเรื่องเข้าจำบรรษาในเรือเรื่องเข้าจำพรรษาในโพรงไม้เรื่องเข้าจำพรรษาบนข้าคบไม้เรื่องเข้าจำบรรษาในที่แจ้งเรื่องภิกษุไม่มีเสนาสนะจำบรรษาเรื่องเข้าจำพรรษาในกระท่อมผีเรื่องเข้าจำพรรษาในร่ม เรื่องเข้าจำพรรษาในตุ่มน้ำเรื่องตั้งกติกาไม่เป็นธรรมเรื่องรับคำจะจำพรรษาเรื่องทำโอโบสถนอกวิหารเรื่องรับคำที่จะเข้าจำพรรษาต้นเรื่องรับคำที่จะเข้าจำพรรษาหลังเรื่องไม่มีกิจจำต้องทำหลีกไปเรื่องมีกิจจำต้องทำหลีกไปเรื่องพักอยู่สองสวันแล้วหลีกไปด้วยสตหกรณยะเรื่องอีกเจ็วันจะครบสีเดือน เรื่องภิกษุกลับมาไม่กลับมาพึงพิจารณาตามแนวทางตามลำดับหัวข้อเรื่องวัตสูปนายิกะคันทกะจบ